เพราะฉะนั้นก็เราจะอ่านขั้นสุดท้ายของข้อที่สองเลยว่าเมื่ออธิบายวิปัสสนามาถึงขั้นนี้แล้วก็มาคิดถึงความเป็นอยู่ของคนทุกๆคนในโลกนี้เป็นที่แจ้งประจักษ์แล้วว่าการมีโลกอยู่จึงมีธรรมะอยู่ได้อาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงต้องมีผู้สนับสนุนให้บังเกิดขึ้นซึ่งสังคมต่างๆโดยการได้รับการสนับสนุนจากมวลมนุษย์ชาติให้มีความเป็นหลายสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้จะกล่าวว่าผู้อยู่ในธรรมชั้นต้นไม่มีความสําคัญย่อมไม่ได้เช่นผู้มีธรรมชั้นสูง ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่มิฉะนั้นจะมีชีวิตเพื่อบําเพ็ญธรรมะชั้นสูงได้อย่างไรเพราะขาดปัดจจัยสี่บุคคลผู้ดาเนินธรรมะชั้นสูงก็อยู่ไม่ได้ต้องเกือ้อกูลกันอย่างที่หลวงปู่แหวนหลวงปู่เทพหลวงปู่ขาวเอาว่าสมมตุติเรานี่สมมุติกันนะท่านจะ แตาสำเร็จจริงหรือไม่สําเร็จจริงเราก็ไม่ได้ยืนยันแต่ว่าท่านก็คงจะอยู่ในธรรมะชั้นสูงหลวงปู่แหวนท่านก็ชั้นอาหารหลวงปู่เทศท่านก็ชั้นอาหารหลวงปู่ขาวท่านก็ชั้นอาหารตอนที่ยังไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะหลวงพ่อก็เอารถฮอนเดนบรรทุกอาหารเนี่ยไปจากกรุงเทพเนี่ไปถวายที่ดอยแม่ฝัง ไปถึงหม้มีคนสักคนหรอกปลาแห้งปลาคูคูเข็มหัวใชโป้บะแล้วก็ฐานไฟฉายเส้นมีเส้นกวเกี๋ยวเส้นหุน อ, อะไรก็บันทุกรถไปไม่รู้กี่เที่ยวอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ที่ได้มาจากผู้คนทั้งหลายทียนี้จะมีชีวิตตำแหน่งชันสูงได้อย่างไรเพราะขาดปัจจัยสี่ บุคคลผู้ดำเนินธรรมชั้นสูงก็อยู่ไม่ได้ต้องเลื่อกคูลกันจึงต้องมีสมาธิที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงผู้กำลังมีชีวิตยอยู่ในสังคมโลกเพื่อให้โลกเกิดความเจริญตามฐานะจึงจำเป็นต้องต ร, รัสรู้ธรรมอันเป็นพื้นฐานของสังคมโลกอันจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนอันจะขาดเข้มไม่ได้ หาต้องการให้ถึงยอดประสาทยอดหอคอยยอดตึกละฟาสรรพสิ่งแห่งโลกาพิวัติจําำนวยความสะดวกสบายต่อเติมให้สังคมโลกเจริญเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมก็ต้องหาทางกำหนดวิธีคนยุทธในกองทัพธรรมให้บุคคลเกิดศรัทธารักษาศรัทธาเกิดความสุขสงบในสังคมโลกด้วยธรรมะ แห่งความตรัสรู้คือสมาธิขั้นพื้นฐานแกทุกๆุกคนหลองพ่อกระเลยสรุปเพื่อที่จะเอาใจนักศึกษาทั้งหลายไปหน่อยนี้ฉะนั้นเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ให้อาหารฉันก็ยุ่งใหญ่ <c oughs> แต่แล้วก็ต้องจำว่าวิปัสนาคือการดำเนินการขึ้นต้นอย่างไรอย่างเนี้ยต้องจำตัวเหตุสุปฏิโยเอาไว้ เวลากิจภาคส่วนเหตุปฏิโย ร, รมันะปัิโยที่ปฏิปฏิโยอะไรท่านก็โยโยไปเดี๋ยวก็จบแอ่แทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทโยอะไรก็คือเหตุปฏิโยก็หมายถึงเหตุเป็นปัจจัยตัวนี้คือตัวต้นของวิปัสสนาเอาละตอนนี้อา้าลืมแล้วที่นี้ <c oughs> ลืมของเอะเวลาก็จะหมดเมื่อวานก็ไม่ได้พูดทีหนึ่งแล้ว <c oughs> เพราะว่า เ, เวลาหมบไปก่อนอยังไรก็ตามเมื่อหลวงพ่อเอาพาพป่าไปถวายพระอาจารย์แล้ว <c oughs> ในคราวนั้นหมายความว่าได้สร้างกุศลอย่างดีที่สุดแล้วนั่นะเพราะว่าเราไปขอเงินกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ให้จะไปทำบุญพ่อแม่ก็ไม่ให้เราก็เลยต้องไปหาจังโน หาจังโมแล้วเราก็ยักยอกแต่ไม่ใช่ยักยอกหรอกเพราะว่ า, เ, าเราคิดว่าไอ้ น, นี่มันค่าหาบยังไงก็คงไม่เป็นบาปเพราะว่าอันนี้ค่าหาบนะติดสตางอย่างน้อยไปถือว่าอย่างนั้นในที่สุดก็ได้ทําบุญสมความปรารถนาแต่ยังไงก็ตามในเมื่อลองพ่อดาเนินชีวิตของการเลื่อมใสในพระอาจารย์อย่างเต็มที่แล้ว หลวงพ่อไม่สามารถที่จะกินข้าวตอนบ่ายได้คือสินแปดที่มันเกิดขึ้นมาเองไม่ว่าวันพระไม่ว่าวันธรรมดาจะรักษาสินแปดตลอดตั้งแต่บ่ายไปก็ไม่ได้ทานอาหารเมื่อไม่ได้ทานอาหารเนี่ยร่างกายอันเนี้มันก็ต้องทุกพลภาพรงตามลำดับตอนเย็นมาก็ ต้นมะเฟืองมัอยู่ที่หน้าบ้านอะ่ะต้นมะเฟืองกันตายไปแล้วเดี๋ยวนี้พายุมันก็ไม่เจออน้าผานักศึกษาไปก็ไม่เจ อ, <ะ>เอาาก็อต้นมะเฟืองก็ตายไปแล้วแต่ต้นมะเฟืองต้นนั้นจะเป็นพยุงชีวิตไว้เพราะอะไรเพราะว่าเก็บกลุ่มมะเฟืองมาคั้นเป็นน้ําแค่นั้นกาหนักกินน้ำมะเฟืองตลอดทีนี้เมื่อพ่อแม่เราเรียกกันว่าบิดามารดาแล้วก็เห็น หลวงพ่อเนี่ยไม่กินข้าวตอนเย็นก็ใช้หนักยิ่งขึ้นการใช้งานหนักแม้กระทั่งขุดตอหรือว่าทำไร่อะไรต่งตางๆเนี่ยงานก็หนักยิ่งขึ้นแต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเมื่อผู้ใหญ่พ่อแม่บอกอะไรแล้วเนี่ยต้องทำทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะหนักหนาแค่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จำเป็นต้องลากไม้มาเผาฐานบ้างหาบน้ามาใส่โอ่งบ้างในวันนั้นต้องการอยากจะได้สตังค์ก็ห้าสิบสตังค์เพื่อที่จะซื้อน้ำมาเนตไปถวายพระอาจารย์นะคิดอย่างนั้นเนี่ยมีอะไรก็จะถวายอาจารย์ลูกเดียวอะ่ะตอนนั้นก็จึงได้ไปลากไม้มาสองเที่ยวเอาให้ได้หา้าเพราะว่าจากนี้มานี่ถ้าไม่ได้ยี่สิบห้าตังค์นี่ จะไม่ไปลากไม้มาให้นี่เอาค่าจ้างจริงๆแล้วอืบิดามันดาก็ต้องให้ยมพ่อยมแม่ให้อ้าวได้ห้าสิบสตังค์แล้วมาห้าสิบสตังค์เสร็จแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าเด็กอายุสิบสามขวบแล้วต้องแบกไม้ดุดนตนัวนี้ใส่เวียนเต็มสองเที่ยวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยวหนึ่งเย็นเที่ยวหนึ่งออมาถึงตอนเย็นก็บอกว่าน้าไม่มีสักหยดว่าไนงะ เราก็ต้องกลับไปหาบนนะ้ำหาที่ลำคลองมาสองสามรอยเมตรหาเอามาก็าหาบมากก็ไม่ได้ตัวมันเล็กก็ต้องหากระป๋องเล็กๆสิบเที่ยวกว่าจะเต็มโอกมังกรพอเสร็จ เ, เรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งทานอาหารกินข้าวว่างั้นก็แล้วกันพูดภาษาชาวบ้านซะพอกินข้าวกันแล้วยังไม่ทันอิ่มเลย ยอแม่ก็บอกว่าคุ่งนี้ข้าวเจ้าบุญเนี่ยมันไม่มีสักเม็ดนะไม่มีสักเม็ดเนี่ยต้องไปตํามาสิเสร็จแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็หาข้าวเนี่ยสองกระ บ, บุมในบ้านก็ไม่มีเพราะรั่งไปที่บ้านคนอื่นเมื่อไปถึงก็ตําข้าวตําข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ตําอย่างเดียวตําแล้วต้องปัดด้ว ย, เ, ยเอารำออกแล้วปลายข้าวออกเพราะ อ, อ, อันนี้ ต้ัดข้าวมาอันนี้จเป็นเม็ดข้าวกว่าจะเสร็จตั้งแต่หกโมงก็กว่าจะได้หนึ่งรบก็บข้าไปเกือบสองทุ่มเดีนี้มันก็เหลืออีกกระบุงนึ่งถ้าตั้งใจว่าทํายังไงกระโบงเดียวนี่เดี๋ยวในกี่วันมันก็หมดเอาอีกกระบุงหนึ่งก็ตาต่อพอตาต่อ น, นี่ยมันจะสองทุ่กว่าแล้วมันก็ดึกเราก็เลยทําเทียงบถ้าเรียกว่าจักรลัน จักรันก็ลว่าเหยียบเร็วๆอย่าบปั้มป้มปั้มปัๆมัมหายทองตึงมาไหลไม่รู้เลย <c oughs> หายไปเลยโน่นไปรู้สึกตัวเอาเม่ตอนเพ่เขาหามจากที่คลอกตาข้าวไปที่บ้านเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็เกิดความตกใจขึ้นกับพ่อแม่ก็หายามมาดมกัน ลงไปลง ม, มาประมาณสักครึ่งจะมงองกับปืนเอาื้นขึ้นมาแล้วนี่เราเป็นอมตาะในขณะที่มันล้มลงไปนั่นคิดว่าเลือดในสมองคงแตกแล้วก็หมดความรู้สึกพอหมดความรู้สึกก็เป็นอมตะาทั้งตัวพอแม่ก็นึกว่าเป็นวันเดียวสองวันคงหายห้าวันก็ไม่หายเดือนหนึ่งก็ไม่หายกี่เดือนก็ไม่หายโอ้ก็เลยไปหาหมอผีมาเป่าเอไปเป่ามาก็ไม่หาย ในที่สุดก็ต้องไปเอาพี่เขยที่เป็นหมอแผนปัจจุบันชื่อหมอเล็กชูเวกก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอามารักษาให้มาถึงมาดูโอ้ยรักษาไม่ได้แล้วในที่สำคัญมันเสียไปแล้วฉากนี้ไม่มีแต่ตายแห้งแบบนี้ไม่ไม่ไหวแล้วให้เราก็ได้ยินเอ๊ะชีวิตของเรานี่หมดสิ้นกันทันทเรือว่า ใ, <c oughs> ใจก็เสีย ใจก็เลยนัดอธิษฐานกันในใจว่าร่างกายของพระเจ้าทายังจะมีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแล้วขอให้มีผู้มีบุญมารักษาพระเจ้าภายในเจ็ดวันนี่แหละแล้วครับเจ้าจะทิชชีทชีวิตเนี่ยแก่พุทธศาสนาทั้งสิ้นพ่อแม่ก็มาให้ได้ยินน่คนเดียวเพราะว่าในตอนนั้นเราก็ทำสมาธิได้เยอะแล้วภายในเจ็ดวันอีกวันเดียวจะถึงเจ็ดวันก็คือหกวัน มีตาป่าขาวคนหนึ่งเดินตุบตับตุบตับขึ้นมามาถึงไม่พูดข่านทําเพลงยมพ่อก็กำลังนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แหน่ทำอะไรอยู่ได้เนอะไรอ่ะมายังไงเล้วบอกว่าจะมารักษาลูกชายให้เอาไหมเอาจะเอาเท่าไหร่แหน่ยมยังถามอีกไม่เอาแล้วขออนุญาตให้รักษาก็แล้วกันแหน่ก็เดินไปที่ยวหลวงพ่อกำลังนอนอยู่ ว่าหนูหนูหนูอธิษฐานช่วยงานพูทศาสนาจริงรึเฮ้ยเราไม่ได้บอกใครอีตาเนี่ยพวได้ยังไงอะนั่นโอ้หน้ากลัวเราหายแล้วหน้าฝนเขินลุกพูดเดี๋ยวนี่ผฝนก็ยังลุกอยู่ <c oughs> เอยเดียวร <c oughs> ับว่าเหรว่าให้ลุงฟังดังๆหน่อยซิพระเจ้าใครมารักษาพูะเจ้าให้หายกัน มาผ่ากับใจโดยที่ชีวิตนี้แกต้องาสนาทั้งสิ้เออเดี๋ยวจะล่าให้แกาานนก็บอกว่าไปเป็นแล้วก็เปล่าวดๆๆสามีเสร็จแรกแกะก็เดินใช้กลับไปเรากันไม่เคยเออทำไมมันสบายผิดกปดะกติเราก็เลยนอนหลับพอรุ่งขึ้นนะหายยกมือให้รุ่งขึ้นไม่เป็นไรนี่ยอมดีใจใหญ่เอาเ อ, าเอาไม้มาผ่าให้เดินจับให้เดินไปเดินมาไม่ต้องจับ ก, ก็ได้ ตื่เช้าขึ้นมาตาปพระขาวมาเจ อ, อที่หน้าบ้านโอ้ยตาพาเขาวมาตับาพาเขาม า, า, า, ม, ามาบินสะ บ, บัดเราไม่จัดแจงขันใจบาดไปไห้อาหมดเวลาสิถ้าเวลาติดเปียกได้ไงอะ่ะเอาต่อไหมเนี่ย <laughs> อ่าเราไม่จัด ของใส่บาทให้เสร็จเรียบร้อยเอ้เราไม่ต้องฟังหลักธรรมยอมแม่เขาจะถือไปให้หลวงพ่อก็เดินตามไปท่านจะไล่ยอมแม่กลับให้หลวงพ่อถือเอ ง, งแม่ก็กลัวกลับของเพ่าจะถือไปพอถือไปกืทักทีตัดเจ็ ด, ะ ด, ดจะใส่บาทปิดบาทเยืนรับตาใช่อ้าจะใส่บาท แกจะลับตาใช้จะใส่บาตแล้วครับแกจะลืมตาออกมาแล้วเลยนี่แกจับสัญญาได้ไหมเนี่ยจําได้เอาว่าผมฟังดังๆเดี๋ยวเนี่ยท้าว เ, เจ้ามืมีผู้ใดมารักษาท้าว เ, เจ้าหมายจากอัมมาพร้าวเจ้าจะวุฒิชีวิตนี้แก่พุทศาสนาทั้งสิน้นแกก็เปิดบาลแล้วก็ใส่บาตรเสร็จยากนี่ ตอนบ่ายไปหาลุงนะลุงอยู่ใต้ต้นมะขามอะ่ะไปเทวัดปาสว่างมะล้อมอะ่ะเอ้เราก็ขึ้นหายวันนี้นะให้เดินไปวัดเอาใครก็ไปพาเสร็จแล้วแกไปคนเดียวนะแกจะให้ใครไปด้วยนะไม่เดินเลื่อเลื่เลื่ไปกันนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามไปเต็มกับคุกเขา่ายกมือประนมจะไหวท่านจะกราบไหมนั่นเล่ากราบไม่ได้กราบไม่ได้ อ้าวทำไ ม, ไ, มไดมก้กลับไม่ได้ท่านภูมิพระคุณใช้กลับไม่ได้ก็เลยบอกว่า ห, หนูจําสัญญาได้ไหมตอบว่าได้ว่าให้ลุงฟังดงัดงๆเทสเถอะครับเจ้าภูมิพลไดรักสายหจุดหายจากธรรมชาพาิครับจ่าดูทิศชีวิตนี้แก่พุทธศาสนาทั้งสิน้นเอรา ว, ว่างั้นกลาบได้แต่กลับพอกลับแล้วเสร็จแล้วแกก็เนี่ยเนไปเที่ยวกันเราคิด้ ว, ว่าเอ่น่ากลัวได้ไปเมืองรับแลห้ือไง พาไปเที่ยวที่ไหนได้เดี๋ยวควายโดนวิ่งจมาแกก็ควัดย่างเสร็จอาเม็ดิตัชัดเลยหางควายูโอ้ยทาไมทาอย่างนี้ท่านครับันไมทาอย่างนี้เลือดไหลเก็บลกเป่าเี้ยนเพียแล้วเอาหางไปติดเกจยางเก่าอ่าแล้วก็หันลุงเก่งไหมโอยเก่งเรยก็สาผุมหายผมกลับ ไหวตลอดชีวิตเลยอเออๆ อ, อ, อย่างนั้นกลับได้กลับได้กไดแกก็ได้พากลับไปติดตดมาขามังแล้วแกก็เป็นนั่งพันรนาคนเดียวของแกเราก็นั่งฟังที่มารักษาหนูนี่นะลุงก็คิดว่าหนูจะต้องได้ทํางานให้แก่พุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆแกอร์ก็คุยไปเรื่อยถ้าหากไม่จะนานลุงคงไม่มา แล้วก็นั่งฟังในขณะนั้นอายุสิบสามปีความจำอะไรต่างๆมันก็แครนั่นหละพูดไปมันก็เหมือนกันกันกบว่าแกก็พรณนาไปในที่สุดแกก็เลยบอกแบบนี้ว่านี่ต่อไปหนูจะทำงานใหญ่นะไอเราจะไปรู้ได้ยังไงว่างานใหญ่มันคืออะไรจำคาถาหลงไว้ดีๆแล้วก็จำนะห้ามไม่ให้บอกใคร <laughs> แล้วถ้าไม่ให้เขียนเป็นตัวหนังสือ <laughs> และให้จำนะพูดสามคำจำไม่ได้แกก็ไม่ต้องเอาว่า <Wow. S 2> เป็นนาทีล้วก็ตั้งใจจาที่โอ้โหตั้งยาวอย่างนี้ไหวเหรอเอา้าสวดให้ฟังแค่ได้สวดให้ฟังเออได้ใช่ได้ตล <Wow. S 2> อ, ง น, นองนี้ใช้ได้แต่แกจะต้องสวดอย่างนี้ไปสิบปีกว่าแต่ที่จะใช้คาถานี้ได้ ถ้าแกสวดไปเก้าปีกับสิบเอ็ดเดือนและแกลืมไปหนึ่งวันแกก็มับหนึ่งใหม่เอาวาโอ้ <c oughs> เราโอ้โหไว้สวดมาจนปัจจุบันนี้ยังไม่หยุดเลย <c oughs> <c oughs> อ่า่งนี่นฮะ่นาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮเดี๋ยวคยาฮ่ายใา่บาฮ่กันเราเ่รฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่า่าฮ่าฮีาฮ่่าฮาฮ่่า หกโมงกันแล้วเจ็ดงกันแล้วแบบโอ้ยไม่มาแล้วนี่โดนละเราก็เลยขิงขันข้าววิ่งยั่งไปเลยนะวิ่งไปที่ต้นมาถามอ้าวปลดก็หายคนก็หายถ้าถามแน่นแน่นไอ้อาภักขาวนี่มันไปไหนเล่าว่างั้นเงียบออกไปเนี่ยเง้คราวนั้นมันไม่มีนะถนนบนทางมีแต่ารถไฟวิ่งยั้นไปที่ทางรถไฟไม่เห็นจนกระทั่งบัดนี้ ก็เลยได้ชีวิตมาเพราะฉะนั้นเวลาคิดอยากจะสึกอะไรต้องอเอตับขาวเล่นงานแน่นอนต้องลองสึกไม่ได้เราจะทํางานพุทธศาสนาคิดได้ยังไงไอตอนมันหนุ่มหนุมอยู่ไอตอนพูดมันพูดได้เพราะมันยังเด็กอายุสิบกว่ากว่าอันนี้พอมันหนุ่มเข้ามาแล้วเนี่ยความคิดมันก็ไปอีกอย่าง เกือบพูดวิดเกือบปวดวิดเหมือนกันเลยแต่ว่าถึงยังไงก็พยายามภายในจึงแข็งคิดถึงตาปรขาวเพราะฉะนั้นน่ะนักศึกษารุ่นพยักกระดีรุ่นอินรีก็ดีพาไปดูต้นมะขามต้นมะขามยังอยู่ต้นมะขามนี้รักษาไว้แล้วให้เงินเดือนเขารักษาไว้ <c oughs> ตกลงก็คนของปัญหาก็ไม่ได้ถามก็คุยกัน เอาเองไหมถามมันหาเองไหมพอแล้วลวันนี้ไม่เป็นลมแล้วคือเรื่องของเรื่องมันอะหลองพ่อก็มาคิดถหงนให้น้ำหนักมันขึ้นเออนึ่กเจ็ดสิบสามนี่กเจ็ดสิบสีถ้าไม่เข้าทีแตะแล้วก็เลยลดอาหารมันก็ลดลงมาเจ็ดสิบสี่เหลือเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเหลือเจ็ดสิบสอง ภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์จะด้วยซ้ำไปมันเลยหิวสิทีนี้ <c oughs> เอ๊ะาไม่เข้าทีแล้วเมื่อวานนี้นะพอเวลายืนตอนอทิตจบเนี่ยตาลายเห็นเอ๊ะหน้าคนหน้าเดียวเป็นสองหน้าเลยเแต่วันนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่าต้องเข้าหาอาทิตย์สมานใจสู้กันไม่เป็นไรแต่ว่า ที่พูดอย่างนี้นะไม่ให้ตกใจนะห้ามตกใจเด็ดขาดเพราะว่าหลวงพ่อสามารถรักษาตัวเองได้อาเกิดเป็นอานวาดแหนอะไรขาเรานี่ดีนะอย่าทาเด็นนะพอนเนี่มากจะหาอะไรมาให้ฉันอาเป็นานวัจบ